أ و ذ ب اللهنا شيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العلم الحكيم อภิّ ل ์ใีและ يسر ให้อำี عقد ة تم ا ل س ا ن يفطه قولي اللهم إنا نسألك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نعمتك وجميع سخاتك ن ا ظلمنا أنفسنا و إ م ل م ر لنا وترحمنا أن ت ك น ن ن ا من الخاسرين الحمد لله الحمد ل ل เรู้ชูกรทั้งอัลลอฮฺ س ب ح ว ن ต و ت ع ا าอีกรนงนะครับหลังจากที่เรียกว่าอะไรพักร้อนพักฤดูร้อนนะครับไปพักผ่อนค่อนข้างจะหลายสัปดาห์ทีเดียวนะครับจริงๆแล้วการส่วนใหญ่แล้วเขาจะ เขาจะเหมือนก็เป็นระบบของมนุษย์เลยนะครับว่าช่วงจะต้องมีช่วงหยุดช่วงอะไรของเขาอันที่จริงแล้วเนี่ยระบบการหยุดพักร้อนเนี่ยมุมินเนี่ยถ้าเราจะพิจารณาจริงๆคนที่เป็นมุมินเป็นผู้ศรัทธาต่อ a l l a เนี่ยเขาไม่จำเป็นต้องมีระบบนี้หรอกนะครับเรานี่ไปตามเอาระบบเขา ใช่ไหมครับทำงานมันเหนื่อยทั้งปีแล้วก็ต้องหยุดยาวสามเดือนเพราะว่าคนที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยเขาเวลาเขาทํางานเนี่ยเขาไม่นึกถึงอัลรอานเขาทํางานทั้งวันทั้งคืนอะ่ะเขาก็เลยต้องมีระบบพักผ่อนของเขาแต่คนที่เป็นมุสลิมเป็นมุมินเนี่ยจริงๆแ ล, แล้วพักผ่อนทุกวันครับแล้วพักผ่อนทุกวันนั่นก็คือเวลาที่เขาเนี่มานั่งอ่านอกานะอานอย่างเนี้ยก็ได้พักผ่อน ใช่ไหมครับพักผ่อนใจแล้วก็ห้าเวลาในแต่ละวันก็ได้พักผ่อนเหมือนกันท่นานนบีสุ ล, ลัว ล, ล่านบอกกับพวกเราว่าละหมาตคือที่ที่ท่านได้พักผ่อนอริหนาบิสซาลาติยาบิลาลท่านเคยกล่าวอย่างนี้นะครับกับบิลาลบิลาลก็คือมูอัลจิน ในสมัยของท่า น, นับีบิลลัลบินราบภาพที่อัลลอฮฺมูะห์อริห์ณบิลลัลเหมือนกับว่าเวลาที่ท่านมารอจะละหมาดเนี่ยเบลลัลก็เข้ามาจิจัดอ่านเสร็จแล้วกำลังรอจะละหมาด ก, ก็บอกกับบิลาลว่าอริห์ณอริห์ณนี่หมายถึงเป็นคำสั่งนะครับอริห์ณจงทำให้เราได้พักผ่อนบิสษละ ด้วยการละหมาดเถิดเย้บิล่าโอ้บิล่าหมายความว่าให้บิล่าเนี่ยไปคอมมัแต่มันด้บอกตรงๆไม่ได้บอกว่าเอาบิล่าคอมมัจะละหมาดแล้วไม่ใช่แต่บอกแบบว่าได้ว่ามีลีลาในการในการก่อให้เกิดกําลังใจที่จะละหมาดอรลฮนาะดิสซาให้เราได้พักผ่อนด้วยการละหมาดเถิดโอ้บิล่าหมายความว่าเริ่มคอมมัได้แล้วเราจะได้พักผ่อนสักทีพักผ่อนในละหมาดเพราะว่านอกละหมาดนี่มันวุ่นวายมันสับสนมัน นะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องจะต้องจะต้องเช็คละมานของเราให้ดีว่าละหมานของเราเนี่ยเรารู้สึกว่าเราได้พักผ่อนหรือเปล่าบางทีมัสยิดเดียวกันแถวเดียวกันคนสองคนละมาน ก, กันเนี่ยไม่เหมือนกันคนหนึ่งเนี่ยละมานี่เหมือนกับว่ามีฟูกเอามาทับอยู่บนหัวหรือนะเหมือนกับมีฐานไฟอยู่ข้างล่างเนี่ยละมานแบบ ลุกลี้ลุกลนละหมาดแบบเหมือนกับว่าขอให้จบจบสักทีในขณะที่คนอีกคนหนึ่งอยู่ข้างๆเขาเนี่ยมาสวดละหมาดด้วยความน <c oughs> ิ่งด้วยความสงบเป็นความสุขเป็นสวนสวรรค์สําหรับเขาไม่เหมือนกันเพราะอะไรเพราะฉะนั้นละหมาดเนีย่ย <c oughs> ในอัลกุรอานบอกว่าว่อ <c oughs> ินน่ฮะละกับีรตุนอิลลาอัลก้ชัอิน ละหมาดเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องหนักแควีรอเป็นเรื่องที่หนักหน่วงมากอิลลั์อัลลัลข้าชีอินนอกเสียจากสำหรับคนที่ละหมาดด้วยความขุ่ชูเคยได้ยินคำนี้มั้ยครับขุ่ชูขุ่ชูในการละหมาดขุ่ชูขุ่ชูนี่หมายถึงว่าละหมาดด้วยความรู้สึกอ่อนน้อมถ่อมตนต่ อ, นตอนหน้ า, าอาลัลลอฮฺ ละมาถ้าไม่มีขูชั่วนี่ได้ไปหรอกไม่ได้พักผ่อนแมนะ้หัวใจก็ยังวุ่นวายอยู่เหมือนเดิมไม่เกิดผลอาจจะพ้นความผิดที่เราแต่เราบอกว่าต้องละหมาดฆาเวลาพ้นพ้นผิดผลบาปไม่ต้องละหมาดซ้ําแต่ท้าผลอะไรไหมไม่ได้อะไรเลยสับสนวุ่นวายก็ยังไม่หายและก็ไม่เกิดผลในชีวิตประจําวัน อันเนี้ยส่วนใหญ่พวกเราจะเป็นอย่างนี้รออักบัรเสียเวลามาละหมาดแล้วละหมาดเพราะฉะนั้นต้องถามตัวเองว่าเวล า, าละหมาดแล้วรู้สึกสบายไหมถ้าไม่สบายแสดงว่าเราไม่มีโคชเในละหมาดก็จะต้องไปหาวิธีการที่จะทำให้โคชเในละหมาด ไ, ได้อัลลอฮสุบฮานะตะลาชื่นชมชมเชยคนที่ละหมาดโคชะช๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕ ก่าช hmm. nah, ah ีก ah ุนน ah ah ี un, ah ่ยส un, un ุร่าอัลมุเมินนร่าอัลมุเอมินนนียสุรู่สต์คาราอัลมุมินุนหลังจากุรุฮจนอัลลอฮบอกขึ้นต้นขึ้นมาก็คอดัฟละฮัลมุมินนเป็นการยืนยันอย่างหนักแน่นคอดัฟัสุจากีดนะครับเป็นการจกคิเป็นการยืนยันอดัฟละฮประสบความสาเร็จอย่างแน่นอนแล้วใครครับ อัลมุมินูนบรรดาผู้ศรัทธาใครอะบรรดาผู้ศรัทธานี้คุณลักษณะคุณสมบัติประการแรกของผู้ศรัทธาที่อัลตาลาบอกว่าประสบความสำเร็จก็คืออัลลซีนะฮุมซีซาดะทีฮิมข้าเอุบรรดาผู้ที่คุชูในการละหมาของพวกเขาเพราะฉะนั้นหัวใจของการละหมาเก็คือก็คือคุชูต้องละหมาด้วยความโคชูมีอยู่ครั้งหนึ่ง นี่คือวิธีการที่มีหนังสืออยู่เล่มหนึ่งนะครับ อ, อุลามะได้นักวิชาการได้เขียนเอาไว้3 า, าวิธีเพื่อให้ละหมาดโคโชโมีเป็นภาษาไทยด้วยผมจําไม่ได้ว่าใครเป็นคนแปลแต่รู้สึกว่าจะมีขายเป็นภาษาไทย33วิธีเพื่อให้ละหมาดโคโชโนะครับวิธีหนึ่งในจนํานวนหลายๆวิธีที่ทำให้เราละหมาดโคโชโก็คืออย่ารีบร้อน ท่านนบีสอนเราเลยว่าเวลาเดินมาละหมาดเนี่ยแม้กระทั่งเดินมาละหมาดสมมุตินะเข้ามายัง เ, ยเข้ามาที่ประตูเนี่ยเห็นเขายืนละหมาดกันแล้วเขากำลังจะรอกนเนี่ยไม่ต้องวิ่ง <c oughs> ท่านนบีบอกว่าไม่ต้องรีบร้อนให้ค่อยๆเดินได้แค่ไหนตามได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นแล้วส่วนที่ยังไม่ครบเนี่ยให้เจ้าเติมหลังจากที่อิหมามเสร็จไปแล้วป้องกันเพราะว่าถ้ารีบเนี่ยแน่นอนละหมาดไม่ผู้ช่อ อย่ารีบร้อนก่อนละหมาดอย่ารีบร้อนในละหมาดในละหมาดก็อย่ารีบร้อนนะมีอยู่ครั้งหนึ่งมีชาวเบดูอินบัดวีคนที่อยู่เป็นเขาเรียกว่ามาจากนอกเมืองหน่อยเข้ามาหาท่านนัลกดีสลลัลลอฮฺสัลลัมแล้วก็เข้ามาในมัสยิดปุ๊บก็ต้องละหมาดก่อนแล้วจะเข้ยาะทูลมัสยิดละหมาดเสร็จปุ๊บเข้าไปสามาแบท่านนัดีอัสสลามอะลัยก็ ท่านนบีบอกว่าเอรจัก er ฟัซซลลีฟะอินนักัลม์ุซัลลีสลับไปละหมาดเมื่อกี้เจ้ายัางไม่ได้ละมัทีเอ๊ะไม่ได้ละมาดิยังไงฉันละมาดแล้วเมื่อกี้ท่านนบีบอกยังไม่ได้ละมาตนะไปละมาดใหม่หลก็ไปละมาดใหม่ก็ละหมาดเหมือนเดิมละมาตแบบเขาเรียกว่าเหมือนเป็ดอาบน้ําภาษาบ้านผมเขาเรียกเหมือนเป็ดอาบน้ําละหมัดคือไม่ทันเปียกนะอาบน้ําไม่ทันเปียกแล้ขึ้นไปลงไปในน้ําแล้วก็ขึ้นมา แบบแบบเร็วๆท่านนบีพอมาครั้งที่สองก็ให้สลาก น, นะท่านนบีท่านนาบีอานนาบอก ว, ว่าเ อ, เอรเยต์สลีฟาอ็นในคอลัมน์ปลีกลักบไปละหมาดใหม่เมื่อกี้ยังไม่ได้ละหมาดสามครั้งติดต่อกันพอครั้งที่สี่เนี่ยยอมยกมือแล้วโอ้เราสู่ละหล่อฉันละหมาดไม่เป็นละเอ้อเพื่อนจะยอมรับละหมาดไม่เป็นฉันละหมาดไม่เป็นแล้วเนี่ย เ, เราก็ต้องต้องเอาอย่างนั้นด้วยนะ อย่าอย่าอย่าตะการพดกับโต๊ะครูถ้าอะไรที่ไม่เป็นก็ต้องบอกว่าไม่เป็นกามาดไม่เป็นแล้ะอะไรเนี่ยสามครั้งสามหนเนี่ยไม่ถูกสักทีอะอย่างนี้สอนชั้นหน่อยว่าละหมาดยังไงมาชาอวโลกับครับนี่คือลูกศิษย์สมัยก่อนนะครับไม่ได้หัวแข็งเหมือนลูกศิษย์สมัยนี้สมัยนี้เหมือนพวกเราค่อนข้างจะบางทีเก่งกว่าต๊ะครูอีกนะต๊ะครูว่าอย่างนี้เราว่าอย่างนู้น นะเดี๋ยวนี้เนี่ยสุบฮานอัลลอฮ์ะนะครับลูกศิษย์เนี่ยก็เลยบอกว่าอสอนฉันหน่อยที่ว่าละหมาดยังไงท่านนาบีลลลอฮัลลัมก็เลยก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้นะเวลาที่ท่านจะละหมาดเนี่ยอาบน้ำละหมาดให้ดีเสร็จแล้วเนี่ยก็ยืนตรงยืนตรงให้ดีก่อนแล้วก็จักเบรให้ดีแล้วก็อ่านให้ดีแล้วเวลารุก็เนี่ย รอกหดีนะครับ ح ัตตมาอินรกากอันรกจนกระทั่งท่านรู้สึกว่าท่านได้รกาะจริงๆอ่นะรารกะเนี่ยหมายความมีความรู้สึกว่าเอา้าได้รกเกาะแล้วจริงๆไม่ใช่ว่าพบขึ้นพุ๊บๆยังไม่ทันได้รอกเกาะจริงๆนะ้มันสาชาวิตอนี่บอกว่าให้ให้ครบ3มครั้งก่อนหรือว่าหนึ่งครั้งว่าสามครั้งนะรรนะง เ, เรียว่าซุบอานัลลอฮบิลาซีมต้องเาเรียกว่าต้องมีอะไรนะ มะนี่นะนะภาษาภาษาพโนแม้ว่าต้องมีสาระเรียกว่าอัตุมะนี่นะเรา ก, ก็ให้มีความรู้สึกว่าเราได้รอ ก, ก็หลังจากนั้นให้ลุกขึ้นมาสมารฟะตจารตมะอินนะกอาอิมันหมายถึงว่าจงจงลุกขึ้นมาเนี่ยจนกระทั่งว่านะเหมือนกับว่ากระดูกข้อต่างๆเนี่ยกลับไปอยู่ที่เดิมของมันอ่าคือต้องนิ่งละหมาดแบบนิ่งๆ นะครับแล้วก็ลงไปสุ j u ัถ้าจะทมาอินนสซาจิดันแล้วก็นั่งนั่งให้นิ่งแล้วก็รบสุ j ูดใหม่ให้นิ่งแล้วก็สุ j u ดใหม่แล้วก็ขึ้นมาใหม่ทําอย่างนี้ทุกระากอาดของเจ้านี่แหละคือละหมาดที่แท้จริงพี่น้องครับถ้าเราละหมาดอย่างนี้เนี่ยพี่น้องจะรู้สึกว่าตัวเองพักผ่ <c oughs> มีความสุขมากกับการละหมาดนะครับลองนึกดูวันไหนที่เราละหมาดแบบนี้แล้ววันไหนที่เราละหมาดแบบลุกลี้ลุกลน วันไหนที่เรามีความรู้สึกว่าเราเนี่ยมีความสุขมากกว่ากันนี่พูดพูดไปยาวมากนะพูดพูดเรื่องปิดเทอมมายาวถึงเรื่องพักผ่อนเพราะว่ามุสลิมจริงๆแล้วเนี่ยได้พักผ่อนทุกวันเราต้องรู้มุสลิมเนี่ยมาชาอัลลอฮ์นะครับผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์สุบฮาวตัอัลลาน์ในเราไม่ต้องไม่จำเป็นต้องใช้ระบบของเขาเพียงแต่ว่านะครับเรื่องฉากว่าเราเนี่ยทุกวันนี้เราก็อ า, อาศัยอยู่ท่ามกลางสังคมแบบนี้บางทีบางครั้งเราก็เลย ออมองไม่ออกถึงคุณค่าของอิสลามกลับไปมองถึงคุณค่าของเขาของเขานี่โอ้โหตามทุกอย่างเพราะเราตามของเขาจนเขาเรียกว่าไม่ลืมหูลืมตาทําให้ไม่เห็นคุณค่าของสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเราการอ่านอัลกุรอานก็เช่นเดียวกันเนี่ยวันนี้เราได้กลับมาอ่านอัลกุรอานอีกครั้งหนึ่งหลงังจากที่หา่างหายไปนานเราเหมือนกับว่าหัวใจเรียกร้องนะครับห่างไปจากอัลกุรอานหางไปจากอัลกุรอานเนี่ย อัลลอฮกเหมือนได้กลับบ้านนะเหมือนได้กลับบ้านมานั่งด้วยกันมาพร้อมที่จะมาอ่านอัลกุรอานอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้รู้สึกว่า เ, เป็นตอนสุดท้ายนะครับของส ah ุรษะอัลมุตาะฟิซีเราเคยกันมาหลายครั้งทีเดียวเลยเรื่องนัน่เรื่องของผู้ที่มีนิสัยอัตตัฟฟิฟก็คือผู้ที่ยักยอกนะครับ เวลาช่างเวลาตวงเวลาค้าขายเนี่ยไม่ซื่อสัตยนะ์ไม่ไม่ ม, ม, มีนิสัยใจซื่อมือสะอาดนะครับล่ะละประนามคนพวกนี้และบอกถึงความแตกต่างระหว่างผู้ที่เป็นอา่าคนที่อะไรนะอัลฟุดยนะครับคนที่ทําความชั่วกับคนที่เป็นอัลอบรอคนที่มันทําความดี วันนี้เราอยู่ที่อายัดที่29นะครับ <c oughs> 29นี่ตอนจบของสุรนี้แล้วเป็นการที่อรัสอะไรจะสรุปให้เห็นสภาพของคนที่เป็นคนที่ทำความชั่วนี่ว่าเป็นอย่างไรเดีย๋ยวเรามาอ่านกันก่อนนะครับ <c oughs> 29เป็นต้นไป Inna la d i n a a j r a m u ด้นะครับ أ างอุ الله من الشيطان الرجيم ِ้างอ الله من الشيطان الرجيم อิ الذين أجرم كانوا يَضحَكُ ละผู้ที่เชื่อจะได้รับพร وإذا ِ قلبوا ََ إلى أهلهم َِِ قلب ََُ فكهم وإذا ََ رأوهم ََُ قالوا وما أ ر س ل ُ ع عليهم ح ا ف ظ ي ن وما و ا عليهم أ فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. ل ا ل أ ر ا الحمد لله นะครับอ ok ินนั้ล الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون วามหมายของมันก็คือว่าแท้จริงบรรดาผู้ที่กระทำความผิดนั้นเคยหัวเราะเยาะบรรดาผู้ที่สัญทาอย่างไงนะครับบรรดานักตัศิ์ได้อธิบายว่าอายัดนี้นะครับมีที่มาที่ไปของมันนั่นก็คือบรรดาพวกมุชรินมัตกะนะครับ สมัยของท่านนาบีสมัยที่อยู่ที่มักกะเนี่ ย, ยเช่นอับูจาฮัลอลัลอาสแล้วก็อีกหลายๆคนเนี่ยท <ت ص في ق> ่านูยอ س ت ح ز ي ؤ ن ا من فقراء المسلمين คนพวกนี้เนี่ยเพราะว่าเราอย่าลืมนะครับว่าตอนที่ท่านนาบีทำการดะ ว, วะที่มักกะช่วงแรกๆส่วนใหญ่แล้วคนที่ตามท่านคือใครคือคนยากจนคนที่เป็นเบาไพร่คนที่ไม่มีตำแหน่งในสังคม ในขณะที่บรรดาหัวโจกทั้งหลายอบูย่าฮัลก็ดีอบูซุฟยานก็ดีอบูลาฮับก็ดีเนี่ยเป็นพวกระดับเขาเรียกว่าระดับสูงสูงทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเวลาที่เห็นพักพวกสัพบของท่านนาบี ส, ลาบาสุลต่านละพวกนี้จะจะทําเป็นเยสตาซิอุนจะเยาะเย้ยล้อเลียนดูๆมาแล้วมาแล้วนะครับ นี่คือความหมายของอายัตนี้นี่คือสภาพของคนที่ยังอยู่ในกรอบของอัลมุตฟฟิฟีเพราะว่าสุรห์นี้นี่อละตาลาพูกถึงคนกลุ่มนี้โดยเฉพวกกเรชเป็นพวกที่มีอาชีพหลักคือข้าถาย แล้วค้าขายไอ้ที่ได้กำไรมาส่วนใหญ่เนี่ยเกิดมาจากการอะไรฮะการยักยอกการโกงนอกจากจะมีนิสัยแย่ๆเสียๆในการทำมาค้าขายกับคนอื่นแล้วเนี่ยยังมีนิสัยที่น่ารังเกียจน่าเกลียดมากเลยก็คือดูถูกคนอืน่นดูถูกคนยากจนอินนั่ลลินอัจรมุแคนูมินั่ลลินอามันูยัดฮักูวูร้าย นะครับเวลาที่เจอคนที่คนที่เป็นอย่างเช่นบีลาสุเฮอะไรพวกนี้จะวอร่อยเยอะบอะอะกบร์นาะอูุเิลล่าอินลินี่คือนิสยัยนิสัยของคนที่ไม่ศรัทธาต่อล l l a h ท้าทายแล้วซึ่งจริงๆแล้วนิสัยแบบนี้เนี่ยก็มีให้เห็นในยุค ข, ของเรานะครับนาะอูสุบิลล่า ทำโดยเฉพาะในสังคมของคนที่ไม่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์เขาจะเขาจะแบ่งชนชั้นวันลนะกันอย่างอย่างอย่างเห็นได้ชัดนะครับบางบางเผ่าพันธุ์บางประเทศเนี่ยเขาจะแบ่งเลยนะแบ่งชัดเลยอาจจะมีระบุในในคำสอนของศาสนาของเขาได้ซ้ําใช่ไหมครับวันละในในศาสนาฮินดูยกตัวอย่างนะครับเขาจะมีห้าชั้นของเขา นะคนที่เป็นวันณะกษัตริย์คนที่เป็นวันละอะไรเขาเรียกวันณะเอพราหมณ์วันณ ะ, พ, นนะนพ่อค้าใช่ไหมแล้วก็แพทย์จำไม่ได้ละแต่ว่าคนที่ต่ําที่สุดก็คืออ่าคนที่เป็นท่าแล้วห้ามเลยนะห้ามเดินผ่านด้วยซ้ำงั้นะคนวันณะแพทย์วันละนู่นจะเดินผ่านไอ ถนนหนทางตรอกซอยที่มีพวกพวกจันทรานอยู่นี่ไม่ได้เลยล้าจะเป็นไงมิจเจฮานอัลลอฮ์ะนะครับในขณะที่อิสลามเนี่ยสูฮานอัลลอฮ์ะนะครับคนที่รัฐอิสลามแรกๆ ก, ก็เป็นทาสนัเป็นเบาพร่นะในอิสลามมีคำสอนถึงขนาดว่านะถ้าเป็นสังคมยุคของเราปัจจุบันแม้แต่ปัจจุบันนี้เนี่ย สังคมของคนที่เป็นยิฮิเรียเนี่ยโอ้โหเขาถือกันมากเลยไม่มีครับคนขับรถกินข้าวกับกินข้าวกับเจ้านายหรือคนรับใช้กินข้าวโต๊ะเดียวกันกับเจ้าของบ้านไม่มีแต่ในอิสลามเนี่ยหัลกุสซงท่านนาบีบอกว่าจงให้อาหารแก่คนใช้ของท่านจากอาหารที่ท่านกินไม่ใช่แยกนะอาหารของเจ้านายอาหารนี้คนใช้กินอาหารอีกอย่างหนึ่ง ไปซื้อมาเองเข้ากลอ่องคนคนที่เป็ น, นเจ้าเจ้าบ้านในบ้านนี่กินกินต้มยำกินปลาแางกินอะไรไม่ในอิสลามถ้าเจ้าบ้านกินต้มยาต้องให้คนรับใช้กินต้มยาด้วยต้องกินปลาแ ย, ยากเหมือนกับเราด้วยจงให้ค่าจ้างแก่ลูกจ้างก่อนที่เงือของเขาจะแห้งนี่คืออิสลามไม่มีนะครับไม่มีสภาพแบบนี้อินนัลลลีนะอัจรมแล้ว นับภาษาอะไรกับการเยอะเยอยอันนี้ยิ่งมันหนักมากในอิสลามถือว่าเป็นเรื่องที่หนักมากนะ ถ, ถ้าถึงขั้นเยอะเยอะดูถูกดูหมิ่นวรรณะเยอะเนี่ยอัลลอฮฺน่าเสียดายที่ว่าหลักคําสอนของอิสลามเหล่านี้ไม่ได้ถูกนํามาศึกษาอย่างจริงจังและไม่ได้ถูกนําเอามาใช้อย่างจริงจังนะครับอามาดูกันต่อนะครับ وإذا مر ย ه م ي ت า ا م, و إ ا م, م, م ز و ن เวลาที่มีผู้ศรัทธาเดินผ่านพวกเขาไปพวกเขาก็จะทำตาลิ้วตากันยักยักคิวยักหน้ายักคิ้วเป็นการเยาะเ ย, ะเย้ยนะครับนะอัลลอฮุบิลลัลอิยัสซารอมาซุนหมายถึงว่าทำหน้าทำตานะครับยักคิ้วยักไหลนะชวนกันดูสิตงนีม้มาแล้วไอ้พวกไอ้พวกว่ากันไปนะครับพวกมุฮัมมัดพวกพวกไครพวกอะไรก็ว่ากัน وإذاً قلبو إلى أهلهم قلبو فكهم <ين> และเมื่อพวกเขากลับไปยังครอบครัวของพวกเขาพวกเขาก็กลับไปในฐานะผู้พึงพอใจที่ได้เยอะอย่างผู้ศรัทธาหมายความว่าไม่พอนะครับหัวเราะเยอะต่อหน้ายังไม่พอกลับไปบ้านเนี่ยเอาเรื่องนี้ไปเล่าเป็นเรื่องตลกขบขันเวลากินข้าวเวล า, เ, วลาเจอลูกหลานเวลานี่คือ นี่คือนิสัยที่อัลอลอฮฺอแฉให้เห็นแฉให้เราได้รู้นะครับว่าคนที่มีกุฟรมีการปฏิเสธอยู่ในหัวใจเนี่ยนิสัยของคนพวกนี้เป็นอย่างไ้นะครับแค่การปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเนี่ยก็ก็ไม่รู้จะว่าจะหาที่ดีตรงไหนได้แล้วนะครับละอิลลฮฺอิลลัลลอฮฺละเขาเราปวใจละ وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لظالمون อันนี้รับนะพวกเราทุกคนคอยรับให้ดีอันนี้เป็นเป็นเขาเรียก <c oughs> ว่าเป็นการจู่โจมของคนเหล่านี้นเวลาที่เขาเห็นบรรดาผู้ศรัทธานคนพวกนี้เนี่ยเวลาที่เห็น คนวายยังงหน่อยคนใส่ปีกหน่อยคนแต่งตัวอะไรแบบนี้หน่อยเนี่ยเขาจะว่ายังไงว่าอิศเราเอาฮะกอลูอินนาฮะอูลาอีลาบอลลูนก็จะพูดกันในหมู่พวกเขาว่าเนี่ยไอ้พวกนี้เนี่ยเป็นพวกที่ไร้สาระบอลลูนพวกหลงทางพวกเหลวไหลอะไรอะนะครับไปเชื่อพระเจ้าพระเจ้าไม่ได้มีจริงนี่คือ สภาพของคนที่ย่อเย้ยและเย้ยหยันกับบรรดาผู้ศรัทธา เ, เวลาที่เห็นมุสลิมเวลาที่เห็ น, นคนที่มาสู่เราเวลาพวกนี้เนี่ยมันวมันพวกนี้มันไม่มมใช่รู้เรื่องอะไรทีเป็นคําคพูดเหล่านี้เนี่ยออกมาจากปากของคนที่ไม่ศรัทธาต่อลสอสอัลลาฮ์แต่ว่าะละะอสอัลลาก็ไม่ได้ปล่อยให้คนเหล่านี้อยู่อย่างนี้ตลอดไปนะมีการตอบโต้ด้วยอายะห์ที่สามบสามเนี่ย แราตั้งใจตอบโต ว, ว่าว่ามาอุรศิลู عليهم ฮาซิซินคนเหล่านี้หมายถึงบรรดาผู้ปฏิเสธทาคนกาเฟ่เหล่านี้เนี่ยว่ามาอุรศิลู عليهم ฮาซิซินพวกเขาเนี่ยไม่ได้ถูกส่งมาให้มาเป็นอะไรครับให้มาเป็นผู้คุ้มครองไม่เป็นผู้ <c oughs> คือเหมือนกับจะบอกว่ามันหนักหัวอะไรของพวกท่านนะ <c oughs> อะไรประมาณนี้อ่ะ ไอ้ที่พวกท่านบอกว่าเราเป็นอย่างงูเราไราสาระเราเหลวไหลาถามจริงๆมันหนักหัวอะไรของเธออ่ะหนักหัวอะไรของเต้นนะฮะเต้นมาพูดกับเราอย่างนี้ประมาณนั้นนี่เป็นการตอบโต้เขาตาัวอานนะบางทีมันก็เจ็บเหมือนกันจะไม่ศรัทธาจะไม่เชื่อในอัลลอฮ์จะไม่เชื่อในวันอาคราตจะไม่เป็นคนดีก็ช่างคุณคุณก็อยู่ของคุณแล้วมาพูดเยอะๆให้พวกเราอย่างนี้มันหนักหัวอะไรแสดงว่าต้องมีอะไรบางอย่างฮะ ต้องมีอะไรบางอย่างที่ทำให้คนพวกนี้เนี่ยต้องมาเยาะเย้ยถักถางในอายอัอื่นๆลอสอาาพูดถึงโดยเฉพาะบรรดาคนที่ได้ชื่อว่าเป็นอะลุลกิสาฟสำหรับคนที่เป็นอะลุลกิแาฟเนี่ยอลอาาพูดชัดเจนว่าฮัสซัดัมมินไงเดออัฟซิมคนพวกนี้มีความอิจฉาริษยาเป็นแรงผลักดันที่ทำให้ก่อให้เกิดเขาเรียกว่าความเป็น ความบาดหมางความความไม่ยอมไม่พอใจกั บ, บคนกุศลและถ้าเราจะวิเคราะห์กันสําหรับคนที่เป็นพวกมุชริกินในสมัยอของท่านนาบีะะสุลต่านเองเนี่ยก็เหมือนกันคนพวกนี้ไม่ใช่ไม่รู้ข้อเท็จจริงไม่ใช่ไม่ยอมรับอัลกุรอานไม่ใช่ไม่ยอมรับอัลกุรอานรู้ว่าอัลกุรอานเป็นข้อเท็จจริงที่มาจากอัลลอฮ์สุบฮานตะละยอมรับในความมหัศจรย์ออัลกุรอาน แต่ละคนเวลาไปเจอเวลาเวล า, เวลาโดน Al อัลกุรอานเวลาท่านนาบีอ่านอัลกุรอานให้ฟังเนี่จะเงียบไ ม, ม่ฟังแล้วก็กลัวน่ากลัวกลัวไม่ใช่กลัวเฉยๆอิสติคฟารด้วยลับหลังท่านนาบีนี่จะอิสติคฟาร์ตอัลลอฮ์อิสติคฟารคืออะไรครับน่อิสติฟารก็คือขอให้โทษจาอัลลอฮ์เวลาอยู่ลับหลังท่านนาบีเนี่ยเออเราเนี่ย <laughs> เดี๋ยวเราจะจะลงโทษมา อัลลอฮฺ ت ع ูรติกในส و ر ۃ الأنفال وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستفيرون อัลลอฮฺ ت ع ا ل จะไม่ลงโทษตราบใดที่ท่านนบี m u h a m a d ยังอยู่กับพวกเขาหมายความว่าบรรดามุชริกีเนี่ยจริงๆแล้วพฤติกรรมของคนเหล่านี้เนี่ยสมควรที่จะได้รับการลงโทษจากอัลลอฮะตั้งแต่วินาทีแรกแล้วแต่ทาไมอัลลไม่ลงโทษคนพวกนี้เพราะ มีนบีสุลตานลำอยู่และสาเหตุประการที่สองก็คือเพราะคนนี้นี่อิสติฟารขออภัยโทษกับอัลลอฮ์ลับหลังเวลาไม่อยู่ตอนหน้าท่านนาบีนีขอขอโทษกลัวอยู่เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นปัญหาไม่ได้อยู่ที่ว่าไม่รู้ข้อเท็จจริงว่าอันไหนเท็จอันไหนปลอมอันไหนจริงอันไหนปลอมรู้ครับรับไม่ได้ตรงที่ว่าคนที่นําความจริงมาเนี่ย คือใครคือเด็กที่ยังไม่สิ้นกลิ่นน้ำนมในทัศนะของพวกเขาเนี่ยนะเพราะฉะนั้นนะครับว่ามอุรซิลูอะไรมีพาร์ซีมันหนักหัวอะไรของพวกท่านถึงได้มายะเยอะพวกเราแสดงว่ามีปัญหาไอ้ที่ถากฐานเยอะเยอดูถูกดูหมิ่นเนี่ยจริงๆแล้วต่างคนก็ต่างอยู่ได้ใช่ไหมครับถ้าอยากจะทำ เชิญสิตามสบายเราก็จะอยู่ของเรานะครับละคุมดีนุกมอลิอันดินทำไมอ่ะโดยปกติแล้วเนี่ยพี่น้องครับทุกวันนี้เนี่ยเนื่องจากว่าสื่อสื่อเนี่ยมันทําให้คนดีเป็นคนชั่วได้ทําให้คนชั่วเป็นคนดีได้นะครับเพราะฉะนั้นเราจึงถูกถูกทําที่เป็นเฉลย ทั้งช่างที่ทุกสิ่งทุกอย่างนี้มันเกิดมาจากฝ่ายนู้นทั้งสิ้นะครับ س ุ ح ا ن อัลลอฮ์เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเขาอาจจะอยู่ส่วนเขาไปเลยเราก็อยู่ส่วนเราก็ได้แต่มันไม่มีในประวัติศาสตร์ไม่เคยมียุคไหนที่อิสลามไม่ถูกโจมตีไม่มีอิสลามเป็นเป้าโจมตีมาตลอดทุกยุคสมัยยังตั้งแต่วินาทีแรกที่านบดุรรกาศ ล, ลาอิละอิลัลลอฮ์มุฮัมมัดอลุลล ยุคหลังจากนั้นยุคสัฮาบะยุคอุมัยยะยุคอาบบาซียะโอ้ศัตรูของอิสลามเนี่ยนับไม่ถ้วนเพราะอะไรครับเพราะว่าชิริกนี่มันเยอะนะอัลกูฟรุมินและตน้นวะฮิดะบรรดานักอุลมอฮ์นี่บอกว่ากูฟรเนี่ยคือศาสนาเดียวกันชื่ออาจจะต่างกันแต่จริงๆแล้วเนื้อแท้ของมันเนี่ยศา ส, สนาเดียวกันชิริกนี่มันรวมตัวกันได้มันรวมกันไม่ได้กับ คนที่มีอกิดะเตาฮีเท่านั้นเตาฮีก็คืออัลลอฮ์เทียงพระองค์เดียวถ้าพระเจ้าอมเบวเนี่ยมันไม่เอาด้วย <c oughs> สุบ ا าอัลลอฮ์นี่เป็นสัจจธรรม 1,400 รกว่าปีไม่ใช่ 1,400 รกว่าปีตั้งแต่นาบีอดัมมาไม่เคยที่อกิดะ์ลาอิลลฮอิลลัลลอฮอยู่สบายสบายไม่ได้รับการขัดขวางแปลกนะครับในขณะที่คาสอนอื่นที่เป็นคาสอนชิริกเนี่ย สมานฉันได้ทุกอย่างเวลาแต่ ง, งานนะตอนเช้าเอาแบบนี้อตอนเช้าปรวดนะอะไรกันก่อนพอตอนเย็นเอาเข้าโบสเข้าสมานะฉันกันนะเพราะ อ, อะไรเพราะเขาไม่มีเขาไม่ใช่ไม่ใช่พระองค์เดียวเหมือน Allah อัลลอฮฺสุบฮานตะละไม่ใช่กุ ล, ลหัวหลอวหัวหัดระวังให้ดีนะครับคำไหนก็ตามที่สอนให้เราชีริก ไม่ใช่อิสลามครับถึงแม้ว่าจะอ้างชื่ออิสลามก็ตามมีถามว่ามีไหมในกระบุในในในคนที่อ้างชื่อว่าเป็นมุสลิมแต่พอไปเช็คเช็คเช็คเช็คโอ้มันมีพระเจ้าหลายองค์เหมือนกันนะไม่ใช่มีมอัลลอฮ์องเดียวมันมีอย่างอื่นด้วยน่ากลัวอย่างนี้อย่าไปเชื่อถึงแม้จะภาพดียังไงก็เถอะจะสวยงามยังไงก็เถอะถ้ามีพระเจ้าอื่นด้วยนามีสิ่งกราบไหว้อื่นนอกจากอัลลอ ไม่ต้องมาอ้างว่าเป็นมุสลิมไม่ต้องมาอ้างชื่ออิสลามไม่ใช่อ و ل هو الله เท่านั้นนะอัซุบิลลัฮิมิแนลิกนะอัซุบิลลัฮิมินาชิฮ์นะคือนี่คือสิ่งที่จําเป็นจะต้องทําความเข้าใจกับตัวเราเองนะครับว่าจริงๆแล้วถ้าจะเอากันแบบกฎง่ายๆวิธีการใช้ชีวิตเราไม่อยากจะทําสงครามกับใครเราไม่อยากจะรบกับใครเราไม่อยากจะสู้กับใครเราอยากจะเป็นมุสลิมที่ดี มุสลิมที่ดีคือใครครับละหมาดได้ถือศีลอดได้กิจกรรมทางศาสนาได้สบายๆแล้วนะคุณก็อยู่ของคุณไปเราก็อยู่ของเราไปเราทำกิจกรรมของเราทําให้ดีแต่ทุกวันนี้มันไม่เป็นอย่างนั้นมุสลิมอยู่เฉยๆถนาดอยู่เฉยๆนาาลลอนะครับและเรืที่ที่เราแปลกใจอยู่อย่างหนึงน่งก็คือว่าเวลาที่เรากลับไปดูบทบัญญัติของอิสลามเนี่ย อาจจะเป็นเพราะว่ามันดีเกินไปเขาก็เลยรับไม่ได้ไม่น้องลองคิดดูมีอะไรบ้างในอิสลามที่บอกว่าไม่ดีแต่เขาบอกว่าทุกศาสนาสอนให้เป็นคนดีใช่ครับทุกอย่างที่เป็นของดีในศาสนาของคนอื่นเนี่ยในอิสลามมีหมดของเขาที่เป็นของดีเนี่ยเขาไม่ได้ใช้เลยเขาไม่ใช่นะกินห้ามกินเหล้าดีแต่เขาไม่ได้ใช่อะ่ะ ไม่มีกระบวนการที่ทำให้คนปฏิบัติตามคำสอนของของคำสอนของเขาเพราะฉะนั้นพอเราดีเกินไปนี่เราอยู่ในสังคมที่เร็เวๆไม่ได้ใช่ไหมครับจะทำอะไรก็ต้องมีส่วนผสมของของสิ่งที่ไม่ดีอยู่ด้วยอาจจะเป็นสาเหตุที่ทมให้คนพวกนี้อยู่ไม่ได้ไงกูฟอร์ในสมัยของท่านนาบีสโลโลสันลำพวกมุสริมอยู่ไม่ไดไ้เพราะท่านนาบีนี่ดีเกินไปห้ามอันนี้สิ่งชั่วรู้ว่าชั่ว แต่มันต้องมีในสังคมถ้าไม่มีเนี่ยทำธุรกิจไม่ได้มีตำแหน่งไม่ได้ควบคุมคนไม่ได้น่าอัศจรรย์ไปเนะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องปกติเรื่องที่ว่าเราจะต้องได้รับการกล่าวหาว่าเป็นอินน่าอูลาอิลาบอลูนเป็นพวกงมงาย <c oughs> เป็นพวกไร้สาระ <c oughs> เป็นพวกหลงตาก <c oughs> เป็นคำพูดปกติอย่าไม่ต้องไปซีเรียสกับมันเยอะ นะไม่ต้องเวลาที่เขามาโจมตีอิสลามเวลาเขามาโจมตีเป็นเรื่องปกติแต่เราต้องอธิบายอย่าไปซีเรียสตามอารมณ์หรือเขาเรียกว่าให้ฮาวานักซูอยู่ข้างหน้าสติปัญญาต้องสติต้องคุมให้อยู่ทำไมอย่าอย่างอารมณ์ไปก่อนเพะอารมณ์ไปก่อนนี่มันอันนี้แหละที่เขาต้องการ น, นะต้องสติไปก่อนว่าเราจะรับมือกับเขาอย่างไง <im> อัฮัซิบันนาสอันยุต ร, รักูอันยิคูลูอามนเมนวะฮุมลาอูฟธานูมมนุคิดหรือว่า เขาจะถูกปล่อยให้กล่าวว่าฉันศรัทธาต่ออัลลอฮ์โดยไม่มีการทดสอบเป็นไปไม่ได้มุสลินต้องมีบททดสอบจอากอัลลอฮ์เราแต่ละเพราะว่ามุสลินเป็นคนเข้มแข็งอลัอลลอฮ์ต้องการที่ทดสอบเราว่ารายใครเป็นคนจรงิงใครเป็นคนปลอมเพราะฉะนั้นนี่ขอขอขอเน้นตรงนี้หน่อยนะครับว่าคาพูดเหล่านี้เป็นคําพูดที่มีมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนี้มันก็ยังไม่หมดและนี่ก็คือความมหาศาาย์ของอัลกุรอานอัลกุรอานยืนยัน ยืนยันตั้งแต่วินาทีแรกที่ถูกประทานลงมาจนถึงวินาทีนี้คนพวกนี้ก็ยังพูดคำนี้อยู่ไม่มีคำอื่นพูดอย่างนี้พวกวันนี้ก็ยังพูดยังหาเรื่องอยู่ตลอดเลยนะนะครับเพราะฉะนั้นเราเราใช้คำนี้ก็ได้เวลาจะตอบกับเขาว่าอุซิลูอาเลห์ฮาฟิรีมันหนักหัวอะไรของท่านนะท่านไม่ถูกส่งมาให้มาใหมาดูแลเราสักหน่อย เรื่องของท่านก็เรื่องของท่านเรื่องของเราก็เรื่องของเร า, เรเรานะครับนี่คือสรุปจากอายะที่33นะครับจบตรงนั้นหอวอยาสุดท้ายนะครับลอสเมลต่าล่ก็บอกว่าบรรดาคนที่ดูถูกดูหมิ่นเย่อกเย้ยบรรดาผู้ที่ศรัทธาวันนี้แหละก็คือวันเกียรตินะครับบรรดาผู้ศรัทธานั้นจะได้เยอ่อกเย้ย คนที่ปฏิเสธอัลลอฮ์ سبحانه และ ت ع ل ى บนเกลืออารายทียังดูรูนมันได้ฟูสทธาจะนอนเอกเนกบนเตียงในสวนสวรรค์แล้วดูไปยังผู้ปฏิเสธศรัทธาที่รับการลงทานจากอัลลอห์ سبحانه และ ت ดูซิว่าวันนี้ใครจะแน่กว่า น, น, นะครับนัือวอชครับ <S <S บลัลกุฟซารุมะานยฟลูพอถึงวันนั้นเนี่ยัลลอจะถามคาถามนี้ว่า เป็นไงโอเคหรือยังฮัลซูวบาลกูฟอร์หมายความว่าได้รับสะสมหรือยังกับสิ่งที่พวกเจ้าทำมาในอดีตฮัลซูวบาลกูฟอร์หมายความว่าโอเคหรือยังเนี่ยรางวัลที่เจ้าได้ไปเนี่ยโอเคไหมฮะโอเคไหมอ่ะต้องถูกเผาในนรกบ้างมาถูกมาละอกัดทำโทษในนรกเนี่ยโอเคหรือยังซ เอาเอาเองไหมถ้าจะเอาก็จะเอาเองว่านี่คือเป็นคําเป็นเขาเรียกว่าอเสติฮมเพื่อตรีนะครับเพื่อที่จะบอกว่าเนี่ยสุดท้ายบรนปลายของคนชั่วเหล่านี้นะชั่วทั้งนอกทั้งในนะไม่ใช่ชั่วข้างนอกอย่างเดียวนะชั่วข้างนอกอย่างเดียวยังไม่พอข้างในก็ยังชั่วแต่ว่าบรรปลายสุดท้ายจะอลอกสุภาพสาะระบอกกับพวกเราได้รับทราบนะครับ ก็คือว่าบรรดาผู้ปฏิเสธเหล่านั้นได้รับรางวัลในสิ่งที่พวกเขากระทํามาเพียงพอโอเคไหมหรื อ, อยังนี่คือสรุปของ Surah Al Mutaffifin เรื่องเล็กๆที่เรามองว่ามันเป็นเรื่องปกติในสังคมหลายๆอย่างบางครั้งเป็นเรื่องใหญ่แต่พอมันทําทุกวันเห็นทุกวันเจอทุกวันกินอยู่ทุกวันนอนกับมันทุกวันมันกลายเป็นเรื่องปกติในชีวิตของเรา ก็เลยกลายเป็นเรื่องเล็กจริงๆแล้วเป็นเรื่องใหญ่นะครับหลายเรื่องที่เรามองเป็นเรื่องเล็กแต่ Allah s u b า a n a h u ะ a ะ a a l มองเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องที่มีความเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับการศรัทธาของเราต่อวันอาคิีรนตวันที่เราจะไปเกิดอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นพี่น้องต้องเลือกให้ดีว่าเราจะเกิดอีกโลกหนึ่งในฐานะคนชั่วหรือคนดีนะครับการเป็นคนชั่วอาจจะได้รับประโยชน์ในโลกนี้ บางสิ่งบางอย่างนะครับเป็นประโยชน์แต่เขาเรียกว่าเป็นประโยชน์ประโยชน์ลวงตาซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็รู้อยู่แก่ใจนะครับว่าสิ่งที่เขาทำนี่เป็นของที่ไม่ถูกต้องนะครับเป็นประโยชน์ชั่วครู่ชั่วคราวสุดท้ายตอจบชีวิตจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่มีอะไรจะช่วยเขาได้เลยหลังจากที่เขาต้องกลับไปหาอัลลอฮฺสุฮาห์นะท่านอาจารยฝากเอาไว้ด้วยนะครับสุราลุตัฟซีน อัลลอฮฺเราต้องขอบคุณเจ้าได้ประโยชน์บ้างครับในบางกรณีอัลลอฮฺ تعالى علم صلى الله عليه وصحبه وسلم سبحان ربيك ربي العزة أما يسيحون السلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم